มาขึ้นอุปศีวะมานวากะปัญหานิเทศที่หกท่านพระอุปศีวะทูลถามว่าข้าแต่พระส ก, กะลข้าพระองค์เป็นผู้เดียวไม่อาศัายแล้วไม่อาจข้ามโอคาได้ถ้าลำพังตัวจริงๆเนะ่่าไม่ได้หรอกข้าแต่พระองค์ผู้มีพระสมันตะจักสุขอพระองค์จงตรัส บ, บอกอารมณ์ที่ข้าพระองค์ได้อาศัายแล้ว พึงข้ามโอคะได้อธิบายว่าข้าพระองค์ไม่อาศัยบุคคลเป็นเพื่อนคือเช่นไม่อาศัยกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะหรือไม่มีธรรมะเป็นเพื่อนข้าพระองค์เนี่ยอาศัยบุคคลหรืออาศัยธรรมะแล้วพึงข้ามคือข้ามขึ้นข้ามพ้นล่วงก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งกามโมคาพวคาทิทโขคาวิชโชขะใหญ่ได้ ถ้าไม่มีบุคคลเป็นเพื่อนไม่มีธรรมะเป็นเพื่อนหรือไม่อาศัยบุคคลไม่อาศัยธรรมะนี้ข้ามว่าตะไม่ได้นนคําว่าข่าแต่พระสกจะคือพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นศักยรราชพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ทรงผนวดจากศักยาสกุลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าสักจะหรือศักยนะิยะอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพแม้ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงชื่อว่าสักจะ พระองค์นั้นมีทรัพย์เหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจาระปัญญาพระองค์มีทรัพย์คือสติปัญญาสัมมาปัญญาอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงอริยมัติมีองค์แปดหรือว่ามีทรัพย์คืออริยผลมีทรัพย์คือนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้ามั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์ด้วยทรัพย์รัตนะทั้งหลายอย่างนี้เพราะนพระองค์จึงชื่อว่าสกกะสกะก็คือผู้มีทรัพย์มากอีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อาจผู้อง์คอาจมีความสามารถอาจหาันผู้กล้าผู้มีความกล้ากล้าก้าวหน้าไม่ขาดไม่หวาเสียวไม่สะดุง้งไม่หนีละความกลัวและความขาดเสียแล้วปราศจากความเป็นผู้ขนลุกขนพองเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นพระสกปรคาว่าไม่อาศัยนี่นะคือถ้าไม่อาศัยบุคคลหรือไม่อาศัยธรรมแล้ว ก็ไม่อาจจะข้ามโอคะได้คือก็ไม่อาจข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงเป็นไปล่วงกามโมคะพะวคะทิทธโธคาอวิชโชขะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่อาศัยแล้วไม่อาจข้ามได้คำว่าอารามนังพลูหิความว่าประกาศซึ่งอารมณ์อารมณ์ก็คือที่ยึดเหนี่ยวที่อาศัยที่เข้าไปอาศัยสัพพัญญุตญาเรียกว่าสมันตะจักษุ ในคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระสมันตะจักสุกก็คือพระองค์มีสัพพัญยุตยา น, นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยพระสัพพัญยุตยา น, นั้นพระตถาคตพระองค์นั้นไม่ทรงเห็นอะไรอะไรหน่อยหนึ่งในโลกไม่มีที่ที่พระองค์ไม่เห็นเนี่ยไม่มีเลยอันหนึ่งไม่ทรงรู้อะไรอะไรที่ไม่ทรงรู้แล้วไม่มีเลย พระตถ า, าคตทรงรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสังขารทั้งวิการทั้งบัญญัติลักษณะรูปรู้หมดลนะธรรมชาติใดที่ควรแนะนํามีอยู่พระตถ า, าคตรู้ยิ่งซึ่งธรรมชาตินั้นเพราะเหตุนั้นพระตถ า, าคตจึงชื่อว่ามีพระสมัญตจักสุจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมัญตจักสุคําว่าอาศัยนะก็คืออาศัยบุคคลอาศัยธรรมพึงข้ามโอฆานี้ได้ความว่า พึงข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งกามโมฆะพวฆะทิทถคฆะอวิชโชคะสรุปเป็นคาถาว่าข่าแต่พระส ก, กะุลข่าพระองค์เป็นผู้เดียวไม่อาศัยธรรมะไม่อาศัยบุคคลแล้วไม่อาจข้ามโอคะใหญ่ได้ข่าแต่พระองค์ผู้มีพระสมณตาจักสุขอพระองค์เนี่ยบอกตรัสบอกอารมณ์คือที่ยึดน่วง ที่ข่าพระองค์อาศัยคืออาศัยบุคคลอาศัยธรรมะแล้วพึงข้ามโอค่านี้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนอุปศีวะท่านจงเป็นผู้มีสติเพ่งดูอากินจัญญายตนะสมาบัติอาศัยสมาบัติอันเป็นไปว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่มีดังนี้แล้วจงข้ามโอคาเถิด ท่านจงละกามทั้งหลายเว้นจากความสงสัยทั้งหลายพิจารณาดูความสิ้นไปแห่งตันหาตลอดวันและคืนเถิดให้ดูความสิ้นตันหาตลอดวันตลอดคืนนะท่านนี้น เ, นเป็นผู้ได้ฌานเป็นปกตินะอุปเสวะเป็นผู้ได้ฌานเนี่ยเป็นปกติคําว่าท่านจงเป็นผู้มีสติเพ่งดูอากินจัญญายตนะสมาบัติคือพรามนั้นได้อากินจัญญายตนะสมาบัติโดยปกติ ก็ได้อารูปประชานที่สามอยู่แล้วเกือบจะสุดยอดของของฌานสมาบัติอยู่แล้วเนี่ยนะท่านเหล่านี้บรรลุเลยไม่น่าแปลกใจอะไรเนี่ยนะสำนวนว่ากิเลสท่านแห้งไปเกือบหมดอยู่แล้วเหลือนิดเดียวเองเนี่ยนะละรูปละรู ป, รปกา ม, มาวจรรูปาวจรได้หมดแล้วนะก็เหลือฉันทราคานในอารูปประชานอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเอง เพลนพรามนั้นก็ได้อากินจันญาจตนาสมาบัติโดยปกติไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นที่อาศัยว่าสมาบัตินี้เป็นที่อาศัยของเราคือคือไม่รู้ถึงคุณธรรมของตนน่ะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสบอกสมาบัติเป็นที่อาศัยและธรรมะเป็นทางที่ออกยิ่งขึ้นไปแก่พรามนั้นว่าท่านจงเข้าในวสัญญานาสัญญาสมาบัตนนะออกจากอากินแล้วก็เข้าในวสัญญานะออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็ พิจารณาคือตรวจดูพินิษ ด, ดูพิจารณาดูนั้นการเจริญวิปัสสนาก็คือการตรวจดูการพินิษ ด, ดูการพิจารณาดูซึ่งธรรมะคือจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นในสมาบัตินั้นนะก็ออกเข้าอาศัยฌานนะั้นะคืออากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะแล้วก็เห็นจิตเจตสิกที่ในอากินจัญญายตนะสมาบัติเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์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 เป็นวิปริณามธรรมคือแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นของไม่เจริญเป็นของมีอาสวะเป็นดังเพชฆาตเป็นธรรมะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อของมานเป็นมีชาติเป็นปกติมีชราเป็นปกติมีพญาที่เป็นปกติมีมรณะเป็นปกติเป็นของที่มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาในที่นี้แปลว่า เหตุคือสมาบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุแ so ห่งโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตถามว่าถ้าชานเสื่อมเป็นยังไงเดือดร้อนนะ น, นะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาของเป็นของที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาไม่น่าพอใจเป็นของมีอาทีนบเป็นของที่ไม่มีเครื่องสลัดออกคือลำพังเข้าเองเนี่ยออกจากวัตถะไม่ได้เนนะออกจากฉันธราคะไม่ได้ก็เจริญ พี่ารณาอย่างนั้นแหละจึงจะตัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านั้นได้นั้นคำว่ามีสติก็คือความระลึกความตามระลึกระลึกเฉพาะเป็นต้นเ น, นะเรียกว่าสติพรามนั้นเป็นผู้เข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยสตินี้ตรเรียกว่ามีสติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพ่งดูอากินจัญญายตนะสมาบัติให้มีสติเจริญวิปัสนาในอากิจัญญายตนะสมาบัติเนี่ยนะเพราะว่า บุคคลเริ่มแรกเนี่ยนะจะเจริญในพิจารณาเนวสัญญาณาสัญญายาตนะสมาบัติแล้ว่เจริญวิปั ส, สนาเนี่ยเป็นธรรมที่ทําได้ยากเพราะฉะนั้นก็ให้ออกจากอากินจัญญายาตนะสมาบัติแล้วเจริญวิปั ส, สนานะพิจารณาโดยความพิจารณาตัวสมาบัตินั่นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นที่สังเกตว่าการเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยท่านให้เจริญในอารมณ์ที่น่าพอใจที่สุด อย่างผู้ได้ฌานเนี่ยไม่มีอะไรที่เขาสําคัญว่ามันเยี่ยมกว่าฌานเพราะฉะนั้นก็พี่ารณาฌานนั่นแหละฌานที่ตัวเองถือว่าเยี่ยมนั่นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าอาศัยสมาบัติอันเป็นไปว่าอะไรอะไ ร, ะไรหน่อยหนึ่งไม่มีดังนี้แล้วจงข้ามโอคะเถิดความว่าอากินจัญญายตนะสมาบัติเพราะอาาัตถะว่าอะไรอะไ ร, ะไรหน่อยหนึ่งไม่มี อากินจัญญายตนาสมาบัติเพราะอาจว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งย่อมไม่มีเพราะเหตุไรพรามนั้นเป็นผู้มีสติเข้าวิญญาณัญญายตนาสมาบัติออกจากนันออกจากสมาบัติแล้วไม่ยังวิญญาณนั้นและให้เจริญให้แจ้งให้หายไปย่อมเห็นว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งย่อมไม่มีคือการที่จะเข้าอากินจัญญายตนาสมาบัติเนี่ยเขาจะเข้าวิญญาณัญญายตนาสมาบัติก่อนออกจากวิญญาณัญญายตนาสมาบัติแล้วพิจารณา ไอ้นั่นแหละโดยความไม่มีนั่นนะว่าอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจงอาศัยคือจงเข้าไปอาศัยสมาบัตินั้นทําให้เป็นอารมณ์ทําให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจงข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงซึ่งกามโมฆะพโวคะที่โธคะอวิชโฉฆะเถิดนั่นะนะเรียกว่าอาศัยอากินจัญญยายตนะเป็นบาตเจริญวิปัสนาและข้ามกิเลสเถอะวะงั้นคำว่ากามก็มี2 อ, อย่างคือ วัตถุกรรมกับกิเลสกรรมคำว่าละกรามก็คือกําหนดรู้วัตถุกรรมทั้งหลายละสละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งกิเลสกรามทั้งหลายเพราะฉนั้นจึงเชื่อว่าละกรามทั้งหลายกาหนดรู้วัตถุกรามด้วยยาตะปริญญาตีระปริญญาและก็ละกิเลสกรรมด้วยปหานปริญญาท่านคำว่า ว, ว, วิจิกิจช้าเรียกว่าความสงสัยเนี่ยนะ ก็คือสงสัยในอริยสัจสงสัยในอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะสงสัยในปฏิจจสมุปบาทความที่จิตข้ั่งคล้ามความใจสนเทงดเวนเวนขาดสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยความสงสัยย่อมมีใจทำให้ปราศจากแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงเรียกว่าเวนจากความสงสัย อีกอย่างหนึ่งงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยดิรชันกระถา3 2ประการย่อมมีใจทำให้ปราศจากแดนอยู่แม้ด้วยเหตุอย่างนี้จึงชื่อว่าเว้นจากความสงสัยนะตันหาคำว่าตันหาก็คือตันหาในรูปตันหาในเสียงในกลิ่นในรสในโพธภาพในธรรมรมชื่อว่าตันหาเนี่ยนะ คำว่ากลางคืนเรียกว่ารัตะกลางวันชื่อว่าอะหะบอกว่าท่านจงดูจงพิจารณาแลดูตรวจดูพินิจพิจารณาซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาคือความสิ้นแห่งราคะโทสะโมหะคติอุบัติปฏิสนธิพบวัตตะสงสารทั้งกลางวันทั้งกลางคืน น, นะเจริญต้องเจริญขนาดนั้น น, นะเขาบอกว่าท่านจงเป็นผู้มีสติเพ่งดูอากินจัญญายตนะสมาบัติ อาศัยสมาบัติอันเป็นไปว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่มีดังนี้จงข้ามโอค่าเถิดเรียกว่าอาศัยอรูปฌานแล้วเจริญวิปัสนาข้ามโอคะาจงละกามคือกำหนดรู้วัตถุ ก, การมละกิเลสกรมแล้วก็เว้นจากความสงสัยพี่เจรณาดูความสิ้นไปแห่งตัณหาตลอดคืนและวันเถิด คันพระอุปสีวะก็ถามว่าผู้ใดปราศจากความกำหนัดในการมทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยอากินจัญญายตนะสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกอย่างยิ่งผู้นั้นไม่มีความหวั่นไหวพึงดำรงอยู่ในอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นหรือเนี่ยนะ น, นี้ก็เป็นคำถามในระดับสูงของผู้ที่ดำรงอยู่ในอรูปฌานนั่นแหละ ก็คือผู้ที่จะได้อารูปสมาบัติอยังงี้นะต้องปราศจากความกําหนัดในกามแต่ว่าละละความกําหนัดในกามด้วยวิขำพนะปะหานเนี่ยนะด้วยฌานสมาบัติเพราะฉะนั้นผู้ใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งปวงความว่าผู้ใดปราศจากความกําหนัดคือสละคายปล่อยละสละคืนข่คมความกําหนัดในกามทั้งปวงคําว่าละสมาบัติอื่นคําว่า อาศัยอากินจัญญายาตนาสมาบัติความว่าละเว้นสละล่วงเก้าล่วงเป็นไปล่วงซึ่งสมาบัติ6ชั้นต่ําสมาบัติ6ต่ำกว่านั้นก็คืออะไรรูปประชาน4อรูปประชานคืออากาศาหนึ่งแล้วก็วิญญาณัญนจายตนาอีกหนึ่งก็เป็น6กนี่นะผั่นผู้ที่จะได้หรือจะอาศัยอากินจัญญายาตนาสมาบัติก็ต้องล่วงคือละสมาบัติ6หรือผ่านสมาบัติ6มาแล้ว เพราะฉะนั้นจงอาศัยแอบอิงเข้ามาเข้ามาพร้อมชอบใจน้อมใจไปสู่อากินจันยายตนะสมาบัติคําว่าน้อมใจไปในสัญญาวิโมกอย่างยิ่งความว่าสัญญาสมาบัติ7็ท่านเรียกว่าสัญญาวิโมกที่เรียกว่าหลุดพ้นด้วยสัญญาเนี่ยนะคือตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงอากินจันยายตนะเนี่ยเรียกว่าสัญญาวิโมก บรรดาสัญญาสมาบัติเหล่านั้นเนี่ยอากิ grasp, นจัญญายตนะสมาบัตเนี่ยเป็นวิโมกชั้นเลิศคือประเสริฐกว่าเพื่อนเนยนะประเสริฐวิเศษเป็นประธานอุดมคือสูงสุดและอย่างยิ่งน้อมใจไปในสัญญาวิโมกอย่างยิ่งเลิศประเสริฐวิเศษเป็นประธานอุดมอย่างยิ่งด้วยอธิมุดวิโมกคือน้อมใจไปในสัญญาวิโมกนั้นน่ะคือน้อมใจไปเพื่อจะเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัตเนี่ยนะปล่อยใจไปในสัญญาวิโมกนั้นประพฤติ ในสัญญาวิโมกนั้นมากอยู่หนักอยู่โอนไปเงื้อมไปในสัญญาวิโมกมีสัญญาวิโมกนั้นเป็นใหญ่ฉะนั้นจึงเชื่อว่าน้อมใจไปในสัญญาวิโมกเป็นอย่างยิ่งก็คือน้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมบัตินี่คำถามว่าอนุ อ, อนานุญายีความว่าไม่หวั่นไหวคือไม่พรั่นพึงไม่ปราด ไม่อันตรธานไม่เสื่อมอีกอย่างหนึ่งไม่กำหนัดไม่ขัดเครืองไม่หลงไม่หมัวมองเพรา ะ, ะนั้นจึงชื่อว่าผู้นั้นไม่มีความหวั่นไหวพึงดำรงอยู่ในอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นหรือสรุปคําถามว่าผู้ใดปราศจากความกำหนัดในการทั้งปวงละความาละสมาบัติอื่นคือละสมาบัติชั้นล่างอาศัยคือเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติน้อมใจในไปในสัญญาวิโมกอย่างยิ่งเนะ สัญญาวิโมกอย่างยิ่งผู้นั้นไม่มีความหวั่นไหวพึงดำรงอยู่ในอากินจัญญายตนาสมาบัตินั้นหรือก็คือตั้งมั่นดำรงอยู่ในนั่นนะนะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนอุปสีวะผู้ใดปราศจากความกำนัดในกามทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยอากินจัญญายตนาสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกอย่างยิ่งผู้นั้นไม่มีความหวั่นไหวพึงดำรงอยู่ในสัญญาวิโมกนั้น ใช่นะถ้าเข้าอยู่ในอากิญจยายาตนาสมาบัติมันก็ไม่หวั่นไหวอยู่แล้วเพราะอารูปฌานเนี่ยเขาเรียกว่าอเนญชะคือไม่หวั่นไหวเนี่ยนะ